ไม่มีใครได้คู่ครองที่ครบสมบูรณ์แบบคนที่ได้ครบจริงๆคือคนที่พอใจที่จะมองแง่ดีและไม่ใส่ใจกับแง่ไม่ดีที่ไม่ได้อย่างใจไม่มีใครทํากรรมที่จะได้ครบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคู่ทุกคู่จะต้องมีอะไรสักข้อหนึ่งหรือหลายๆข้อที่ไม่ได้อย่างใจเสมอ คือได้บางอย่างที่เราพอใจแล้วก็ไม่ได้บางอย่างที่เราต้องการต้องมีอะไรขาดไปสักอย่างนี่คือธรรมชาติของทุกคู่และหลายคู่บอกว่าไม่มีปัญหาแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีปัญหาจริงๆแค่เขามีปัญหาและเขาไม่พูดหรือเขามีปัญหาแต่เขาไม่ติดใจ เพราะว่าเขาเอาใจไปผูกไว้กับสิ่งที่เขาต้องการเขาได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วส่วนที่ขาดไปอะไรที่ไม่เพอร์เฟคสมบูรณ์แบบเขาไม่ไปสนใจตรงนั้นเขาจบเขาพอเขาเลยไม่พูดคู่ดีไม่ใช่มีโดยบังเอิญความเอาแต่อยากได้อะไรดีๆไม่อาจสร้างคู่ดีขึ้นมาได้ทําไมศรัทธาอะไรดีๆร่วมกัน ก็ไม่พ้นต้องผิดศีลผิดธรรมจะเช้าหรือเร็วเท่านั้นคู่ดีเริ่มสอแววเป็นจริงจากตัวเองอยากมีน้ำใจให้คนรอบตัวไม่ใช่เลงมีน้ำใจให้เฉพาะคนที่ตัวเองรักเพราะน้ำใจที่เลงรินให้เฉพาะคนมันเป็นน้ำใจที่มีรสเค็มไม่บริสุทธิ์สดชื่นอีกทั้งเหือดแห้งง่ายแค่ไม่ได้อะไรตอบแทนดังใจ คู่ที่ครบจริงๆนั้นคือคู่ที่พอใจที่จะมองแง่ดีของการละกันไม่ใส่ใจกับแง่ไม่ดีที่ไม่ได้อย่างใจและก็มีแก่ใจอยากเอาใจกันและกันอันนี้คือได้ครบจริง